บุกทูหกสิบห้าเซสกนการปฏิเสธสองเนอโดดูแหวนวงนี้แพงไหมคะชูลาริงโกม o ลเตคอสตัสไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะคุณเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ยังไม่เสร็จค่ะเน่รแ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 คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะชุดเดิ long เฮ้บิโ ล, ลจัสชิติเอไม่ค่ะพึ่งเดือนเดียวเนเดนูรอุลโมนาตแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วเซ็ดมียังคอนาสมุลไทน์ฮอมอยคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ ชูวิเวทูรัสใฮ้แมนมอร์กขาไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์เนธนูร์ชิตีอยนเซมานฟี น, น์นแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะเสร็มียามเรเวนอสดิมันชอนลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะชูวิเาฟิลินโนเอสตัสเพลนเครสกา ไม่ใช่ค่ะลูกกิฉันเพิ่องอายุสิบเจ็ดปีเน่ชีอสตสนรเด็กเซพาแต่เธอมีแฟนแล้วนะเซนชยมาวสโครมีกุณาไปที่ w w w b o o k d e